ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องอุบาสกห้าคนข้อความเบื้องต้นประศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารพอุบาสกห้าคนตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่านัติราสะโมอิกิเป็นต้นได้ยินว่า อุบาสกเหล่านั้นใครจะฟังธรรมไปสู่วิหารถวายบังคมพระศาสดาแล้วนั่งณส่วนสุดข้างหนึ่งก็ความตำริว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ผู้นี้เป็นพราหมณ์ผู้นี้เป็นคนมั่งมีผู้นี้เป็นคนยากจนเราจะแสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้จากไม่แสดงธรรมให้ยวดยิ่งแก่ผู้นี้ ยอมไม่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายพระสัสดาเมื่อจะทรงแสดงธรรมปรารบบุคคลใดบุคคลหนึ่งยอมทรงทําความเคารพธรรมไว้เป็นเบื้องหน้าแล้วจึงแสดงหยดย้อยประหนึ่งเทพเจ้าผู้มีฤทธิ์บรรดาให้น้ำในอากาศหลั่งไหลลงอยู่ฉะนั้นก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้น ผู้นั่งแล้วในสํานักของพระตถาคตผู้ทรงแสดงธรรมอยู่อย่างนั้นอุบาสกคนหนึ่งนั่งหลับแล้วเที่ยวคนหนึ่งนั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือคนหนึ่งนั่งเขย่าต้นไม้คนหนึ่งนั่งแหงนหน้ามองดูอากาศแต่คนหนึ่งได้ฟังธรรมโดยเคารพพระนนทถระถวายงานพัดพระศัสดาอยู่ และดูอาการของอุบาสกเหล่านั้นกลับทูลพระศัสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ทรงบรร ล, ลือลั่นดุดมหาเมฆคำรนทรงแสดงธรรมแก่อุบาสกเหล่านี้แต่อุบาสกเหล่านั้นเมื่อพระองค์ตรัสธรรมะอยู่นั่งธรำกรรมนี้และนี้พระสัสดาอานนท์ เธอไม่รู้จักอุบาสกเหล่านั้นหรืออาน o ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ไม่รู้จักพระเจ้าข้าตอนประวัติเดิมของอุบาสกห้าคนพระศัสดาก็บรรดาอุบาสกเหล่านั้นอุบาสกผู้นั่งหลับแล้วนั่นเกิดในกำเนิดแห่งงูสิน้น ห้าร้อยชาติพาศีษะไว้บนขนดทั้งหลายหลับแล้วแม้ในบัดนี้ความอิ่มในการหลับของเขาย่อมไม่มีเสียงของเราย่อมไม่เข้าไปสู่หูของเขาอานน์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ตรัสโดยลำดับหรือตรัสเป็นตอนๆพระสัสดา อนุน์แท้จริงแม้พระสัพพัญยุตยานก็ไม่อาจทรงกำหนดซึ่งความอุบัติของอุบาสกนั่นผู้อุบัติอยู่ในระหว่างระหว่างอย่างนี้คือความเป็นมนุษย์ตามการความเป็นเทพตามการความเป็นนาคตามการแต่อุบาสกนั่นเกิดแล้วในกำเนิดแห่งหนาคสิ้นห้าชาติโดยลำดับ แม้หลับอยู่ก็ไม่อิ่มในการหลับเสียเลยฝ่ายบรุษผู้นั่งเขียนแผ่นดินด้วยนิ้วมือเกิดในกำเนิดไส้เดือนสิ้น500ชาติโดยลำดับขุดแผ่นดินแล้วถึงบัดนี้ก็เขียนแผ่นดินอยู่ด้วยอำนาจความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติแล้วในการก่อนยอมไม่ฟังเสียงของเรา ฝ่ายบุรุษผู้นั่งเขย่าต้นไม้อยู่นั่นเกิดแล้วในกำเนิดลิงสิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้ก็เขย่าต้นไม้อยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติที่ตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อนนั่นเดียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาแม้พรามผู้นั่งเหยนหน้ามองอากาศอยู่นั่นก็เกิดเป็นหมอผู้บอกเลิก สิ้น500ชาติโดยลำดับถึงบัดนี้แม้ในวันนี้ก็ยังแหงนหน้าดูอากาศอยู่ด้วยสามารถแห่งความประพฤติตนได้เคยประพฤติมาแล้วในการก่อ น, นั่นเทียวเสียงของเราย่อมไม่เข้าหูของเขาส่วนพรามผู้ฟังธรรมโดยความเคารพนั่นเกิดเป็นพรามผู้ท่องมนถึงฝั่งแห่งเวทสาม สิ้นห้าร้อยชาดโดยลำดับถึงบัดนี้ก็ย่อมฟังธรรมโดยเคารพเป็นดังเทียบเคียงมนต์อยู่อานอน์ข้าแตกพระองค์ผู้เจริญพระธรรมเทศนาของพระองค์ย่อมแทรกอวัยวะทั้งหลายมีผิวเป็นต้นเข้าไปจดเยื่อกระดูกตั้งอยู่เพราะเหตุไรอุบาสกเหล่านี้ แม้เมื่อพระองค์ทรงแสดงธรรมอยู่จึงไม่ฟังโดยเคารพพระศัสดาอานน์เธอเห็นจะทําความสําคัญว่าธรรมของเราอันบุคคลฟังได้โดยง่ายกระมังอานน์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญก็ธรรมของพระองค์อันบุคคลพึงฟังได้โดยยากหรือพระศัสดา ถูกแล้วอานนอานนเพราะเหตุอะไรพระเจ้าข่าพระสัสดาอานนบดว่าพุทโธก็ดีธรรมโมก็ดีสังโฆก็ดีอันสัตว์เหล่านี้ไม่เคยสดับแล้วในแสนกลับแม้เป็นอนันิเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงไม่สามารถฟังธรรมนี้ได้ แต่ในสงสารมีที่สุดอันใครๆตามรู้ไม่ได้สัตว์เหล่านี้ฟังเดริฉานคถามีอย่างต่างๆนั่นแหลมาแล้วเพราะฉะนั้นสัตว์เหล่านี้จึงเที่ยวขับร้องฟ้อนราอยู่ในที่ทั้งหลายมีโรงดื่มสุราและสนามเป็นที่เล่นเป็นต้นจึงไม่สามารถจะฟังทำได้อานอนท์ ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญอุบาสกทั้งหลายนั่นอาศัยอะไรจึงไม่สามารถลำดับนั้นพระศัสดาตรัสแก่พระอานน์ น, นั้นว่าอานน์อุบาสกเหล่านั้นอาศัยราคะอาศัยโทสะอาศัยโมหะอาศัยตัณหาจึงไม่สามารถชื่อว่าไฟ เช่นกับด้วยไฟคือราคะไม่มีไฟใดไม่แสดงแม้ซึ่งเท่าย่อมไหมสัตว์ทั้งหลายแท้จริงแม้ไฟซึ่งยังกลับให้พินาศที่อาศัยความปรากฏแห่งพระทิ์เจ็ดดวงบังเกิดขึ้นย่อมไม่โลกไม่ให้วัตถุไรๆเหลืออยู่เลยก็จริงถึงกระนั้นไฟนั้นย่อมไหมในบางคราวเท่านั้น ชื่อว่าการที่ไฟคือราคะจะไม่ไม่ย่อมไม่มีเพราะฉะนั้นไฟเสมอด้วยราคะก็ดีผู้จับเสมอด้วยโทสะก็ดีคายเสมอด้วยโมหะก็ดีชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตัณหาก็ดีไม่มีดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่า นัตติราหะสโมโออักยนัตติโดสะสโมะโอกาโ h นัตติโมหะสมังยาลังนัตติตันหาสมานัทีไฟเสมอด้วยราคะไม่มีผู้จับเสมอด้วยโทสะไม่มีคายเสมอด้วยโมหะไม่มีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่ารากะสโมความว่าชีวไฟเสมอด้วยราคะย่อมไม่มีด้วยสามารถแห่งอันไม่แสดงอะไรอะไรมีบรรดาควานเป็นต้นตั้งขึ้นเผาภายในนั่นเองบทว่าโดสะสโมความว่า ผู้จับทั้งหลายมีผู้จับคือยักษ์ผู้จับคืองูเหลืม่มและผู้จับคือจระเข้เป็นต้นย่อมสามารถจับได้ในอัตภาพเดียวเท่านั้นแต่ผู้จับคือโธสัจย่อมจับได้โดยส่วนเดียวที่เดียวเพราะฉะนั้นชื่อว่าผู้จับเสมอด้วยโธสัจย่อมไม่มีสองบทว่าโมหะสมังจารัง ความว่าก็ชื่อว่าขายเสมอด้วยโมหะย่อมไม่มีเพราะอัดว่ารึงรัดและรวบรัดไว้บทว่าตันห้าสมาความว่าเวลาเต็มก็ดีเวลาพร่องก็ดีเวลาแห้งก็ดีของแม่น้ําทั้งหลายมีแม่น้ํำคงคาเป็นต้นย่อมปรากฏ แต่เวลาเต็มหรือเวลาแห้งแห้งตันหาย่อมไม่มีความพร่องอย่างเดียวย่อมปรากฏเป็นนิดเพราะฉะนั้นชื่อว่าแม่น้ำเสมอด้วยตันหาชื่อว่าย่อมไม่มีเพราะอัดว่าให้เต็มได้โดยยากในการจบเทศนาอุบาสกผู้ฟังธรรมอยู่โดยเคารพนั้น ตั้งอยู่ในโสดาปฏิพลแล้วพระธรรมเทศนาได้มีประโยชน์แม้แก่ชนผู้ประชุมกันแล้วดังนี้แหละเรื่องอุบาสกห้าคน